บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปความสงสัยที่ประรพชีวิตของตนและคนอื่นซึ่งท่านจำแนกแสดงออกไปเป็นความสงสัยในชีวิตอดีตชีวิตอนาคตซึ่งได้กลาบมาแล้วนั้น แต่ยังมีความสงสัยที่ประลบชีวิตในปัจจุบันซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลทั้งหลายที่ท่านย่อยออกไปเป็นช่วงความคิดถึงหกลักษณะด้วยกันคือหนึ่งสงสัยว่านี่เป็นเราหรือหนอหรือว่านี่ไม่ใช่เราและความสงสัยเกิดขึ้นว่าเราเป็นอะไรเราเป็นอย่างไร เราเป็นสัตว์มาจากไหนและเราจะไปไหนซึ่งความสงสัยโดยนัยะที่ละเอียดที่ยิบซึ่งท่านจำแนกออกไปเช่นนี้ถ้าหากว่าบุคคลลองหยุดความคิดแล้วกำหนดตั้งคำถามขึ้นที่ประรบตัวเองก็จะออกมาตามนัยะที่กล่าวแล้วจากนั้นจะเห็นได้ว่า ในชั้นของการดำรงชีวิตโดยสามัญตูวทั่วไปความสงสัยที่ประรบตัวเองมักเกิดขึ้นอยู่เสมอจนบางครั้งบางคราวก็เกิดความสับสนขึ้นในการดำรงชีวิตเพระสงสัยว่าคนเราเกิดมาทำอะไรเกิดมาได้อย่างไรและตายแล้วจะไปไหนเป็นต้นแต่เมื่อบุคคลได้ กำหนดพินิษพิจารณาแยกขันห้าออกไปเป็นนามรูปโดยนยะที่กราบแล้วโดยลำดับก็จะเห็นได้ว่าความมีอยู่แห่งชีวิตในปัจจุบันนั้นเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติซึ่งเกิดขึ้นจากกฎที่เป็นรูปธรรมและเป็นนามธรรมคือปัจจัยแห่งนามรูป เมื่อสรุปแล้วก็คือวิชาตนาอุปาทานกรรมอาหารเป็นปัจจัยของรูปแล้ววิชาตนาอุปาทานกรรมภาษะเป็นปัจจัยของนามเมื่อปัจจัยทั้งหมดนี้ทั้งส่วนที่เป็นรูปธรรมและส่วนที่เป็นนามธรรมายังมีอยู่การอุบัติบังเกิดเป็นสัตว์ในกำเนิดต่างๆตามสมควรแก่กรรมก็จะมีอยู่ แต่เมื่อบุคคลได้มาเข้าใจว่าชีวิตเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติชนิดก็สามารถที่จะแสวงหาประโยชน์จากความจริงแห่งชีวิตได้สองชั้นคือชั้นที่เป็นสามัญธรรมดาประการหนึ่งได้แก่ขั้นของสมมติสัจจะคือความจริงในชั้นสมมติบุคคลก็จะตอบคำถาม ซึ่งเกิดขึ้นจากความสงสัยทั้งหลักษณะดังกล่าวแล้วคือยอมรับความเป็นเราความเป็นตัวเป็นตนของเราซึ่งเมื่เรายอมรับในช่วงนี้แล้วก็จะได้หลักในการปฏิบัติการพินิพิจารณาว่าเมื่อเราเป็นของเราเช่นนี้เราเป็นอะไรจะต้องประพฤติปฏิบัติตนอย่างไร ก็ใส่หลักขั้นสมมติอย่างที่ทรงสอนเอาไว้ในกลุ่มของอัตวัคคือวักี่ว่าด้วยเรื่องตนเป็นความจริงขั้นสมมติบัญญัติกันให้บุคคลสามารถสนักความจริงในชีวิตว่าคนเรานั้นตนแลเป็นที่พึ่งของตนแม้จะมีคนอื่นเกี่ยวข้องอยู่บ้างก็จะเป็นที่พึ่งอันแท้จริงไม่ได้ คนเราจะต้องเตือนตนด้วยตนเองพิจารณาตนด้วยตนและตัดสินตนด้วยตนความผิดชอบชั่วดีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตนั้นตนเองจะต้องเลือกวินิจฉัยตัดสินทางดำเนินชีวิตของตนด้วยตนซึ่งในชั้นนี้จะพบว่าเมื่อบุคคลมีความสำนึกถูกต้องสมเหตุสมผล ก็จะเล็งไปที่ตัวการสำคัญในการกำหนดวิถีชีวิตของตนว่าควรจะดำเนินไปในที่ใดผลคือความสุขความเจริญความสำเร็จในด้านต่างๆนั้นแม้จะมีบุคคลอื่นและปัจจัยภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องสนับสนุนอยู่บ้างก็ตามแต่โดยหลักการใ ห, ใหญ่แล้วเป็นเรื่องของบุคคลแต่ละคนจะต้องรับผิดชอบตัวของตัวเอง อย่างที่ทรงแสดงไว้ว่ามารดาบิดาญาติพี่น้องเผ่าพันธุ์ไม่อาจที่จะทำอะไรให้ได้แต่ว่าจิตที่ตั้งไว้ชอบของบุคคลสามารถจะทำให้บุคคลเป็นผู้ประเสริฐสูงสุดได้เมื่อมองในจุดนี้บุคคลก็จะหันมาเพ่งเล็งที่จิตใจพยายามฝึกปรือพยายามอบรมข่มจิตใจข้างตน ตามสมควรแก่อารมณ์ที่บังเกิดขึ้นนยามใดที่จิตใจขดขู่ไม่พร้อมที่จะประพฤติปฏิบัติในกุศลนธรรมก็จะมีการปลุกปลอบใจตัวเองไม่มีความอาจฐานรื่นเริงพร้อมที่จะลงมือประพฤติปฏิบัติในธรรมะนยามใดที่ใจลุกอำนาจแก่อารมณ์ภายนอกไปใช้หลักธรรมะในการห้ามกันจิตใจเอาไว้แม่ลุกอำนาจ แกอารมณ์ดอกนั้นพยายามที่จะควบคุมจิตใจของตนให้อยู่ในหลักของความคิดที่ชอบทำจนเกิดความเห็นที่ชอบตามหลักของสมาสังกปะและสมาธิที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ก็จะสามารถกำหนดทิศทางในการดำเนินชีวิตของตนให้เป็นไปเพื่อความสุขความเจริญที่มุ่งหวังได้ และโดยการพิจารณาในเชิงเหตุปัจจัยอีกระดับหนึ่งบุคคลก็จะมองเห็นว่าในความเป็นเราเป็นของเราหรือคำถามที่ว่าเราเป็นอะไรเราเป็นอย่างไรเรามาจากไหนและเราจะไปไหนนั้นทำให้บุคคลได้หลักของเหตุปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นภายในจิตใจแต่ละขณะแต่ละช่วงของความคิด ว่าโดยความจริงชั้นหนึ่งแล้วก็สำเร็จเป็นตัวตนเป็นชีวิตเป็นสัตว์เป็นบุคคลขึ้นมาอย่างที่โหรารศาสนาท่านจำแนกชนิดของคนโดยอาศัยรู ป, ปรกายแต่ว่าความเปลี่ยนแปลงทางจิตเป็นการจำแนกฐานะในด้านจิตใจของบุคคลอย่างที่ท่านใช้คำว่า มนุสเปโตมนุสดิรชาโนมนุสโสมนุสสะมนุสโสมนุสเทโโมนุสสพรมโมต้ น, นซึ่งในชั้นทั้งหมดนี้เป็นการสร้างเหตุปัจจัยขึ้นในขณะนั้นๆข้อนี้จะเห็นได้ว่าในยามใดก็ตามที่จิตใจถูกปรุงแต่งด้วยวิชาตาัหาอุปาทานกรรมแล้อาหารซึ่งเป็นส่วนรู ป, ปธรรม และแถมผัสสะเข้าไปซึ่งเป็นปัจจัยแห่งนามธรรมด้วยได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางจิตไปตามอำนาจของอารมณ์ตรงตามบ้างรักษาระดับไปได้บ้างขึ้นไปอยู่ในระดับสูงบ้างซึ่งความเปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้บุคคลสามารถกำหนดสังเกตพินิษ์พิจารณาได้อยู่ทุกขณะโดยดูที่ปัจจัยที่ให้เกิดความเปลี่ยนแปลง บางครั้งบางคราวจิตใจมีความกระสันอยากในอารมณ์ต่างๆจนไม่อาจที่จะควบคุมความปรารถนาความต้องการในสิ่งนั้นๆได้ก็แสดงให้เห็นว่าในยามนั้นจิตตกอยู่ในสภาพที่เรียกว่าเปตะหรือเป็นเปรตคือได้ละคุณธรรมความดีลงไปเป็นอันมากตกเป็นธาตุของความอยากที่บงังเกิดขึ้นในอารมณ์ต่างๆ เวลาใดาที่จิตประสบไม่กิเลสประเภทราคะประเภทโลภะประเภทโทสะแผดเผาให้เกิดความ ร, าร้อนกระสับกระส่ายไปด้วยประการต่างๆอย่ามนั้นก็เหมือนกระตกนรกอย่างที่พูดกันว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจก็ แ, แสดงไว้ใจในขณะนั้นกระตกนรกเป็นการตกนรกทางใจตกได้ซ้าซ้อนอยู่ตลอดเวลา ตามเหตุปัจจัยคือกิเลสและปัสสะที่เข้ามากระทบบางครั้งจนถึงมีความคิดความปรารถนาที่จะหลอกที่จะลวงบุคคลอื่นเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองโดยไม่คำนึงถึงความเหนื่อยยากเดือดร้อนของบุคคลอื่นแสดงเห็นถึงสภาพจิตที่ตกลงไปเป็นอสุรกาย ยารมใดที่บุคคลไม่ยอมใช้เหตุผลในการดำรงชีวิตกระทาอะไรไปตามสัญชาตญาณหรืออารมณ์ที่บังเกิดขึ้นมีการเบียดเบียนการประทุษร้ายกันอย่างสํานวนที่พูดกันว่าแย่งอาหารกันกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอนานาจกันเป็นใหญ่เป็นการเชีย่ยวเห็นถึงสภาพจิตของบุคคลที่ตกลงไปอยู่ในระดับของดิเรกชัน ทำไรไปตามสัญชาตญาณที่บังเกิดขึ้นในขณะในอารมณ์นั้นๆตนายามใดก็ตามที่จิตได้ขึ้นสู่สภาวะที่สูงขึ้นประณีขึ้นอยู่เหนืออารมณ์เหล่านั้นโดยหลักก็คือว่ามีสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบเป็นเครื่องคุ้มครองใจสามารถควบคุมอาการทางกายทางวาจาและความคิดของตนไว้ได้ ในชั้นกายก็ไม่ลุกอำนาจแกอารมณ์จนถึงละเมิดศีลข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สในชั้นวาจาก็ไม่ถึงกระเปล่งวาจาที่เป็นทุจริตแต่พูดต้อยคำที่เป็นคำศาสตว์คำจริงคำไพเราะอ่ อ, อนหวานคำสมานส ม, สมัคคีและคำที่มีประโยชน์ออกมาในชั้นของจิตใจกิเลส ท, ทั้งหลายนั้นยังมีอยู่แต่ก็คุมกิเลสไปได้ไม่ถึงกับ ละโมบโลภจากได้ของของบุคคลอื่นหรือไม่พยาบามปองร้ายบุคคลอื่นขณะนั้นก็เข้าถึงความเป็นมนุษย์ที่แปลว่าสัตว์มีจิตใจสูงคุณธรรมที่กำหนดความเป็นมนุษย์ตามหลักของพุทธศาสนานั้นก็คือกุศลกรรมบุทั้ง10ประการที่จำกันได้ตทัวต่วไปถึงแม้จะมีองค์ธรรมะอยู่ถึง10บประการแต่ปัจจัยหลักจริงๆก็คือตัวสมาธิ จึงว่าที่จริงก็เป็นฟากหนึ่งของอวิชชานั่นเองเพราะตัวสมาธิทิก็คือตัววิชาความรู้เมื่อบังเกิดขึ้นภายในจิตใจแล้วก็สลายให้อวิชชาคือความไม่รู้เจือจางลงไปโดยลำดับและจนหมดสิ้นไปในที่สุดแต่ในชั้นของการดำรงชีวิตบุคคลก็จะพบความจริงว่าเมื่อวิชาปัญญาหรือสมาธิฏิแล้วแต่จะเรียกนั้นบังเกิดขึ้นภายในจิตใจ ถ้าตัวความรู้ตัวสัมมาทิฐิมีกำลังมากก็จะบรรเทาขาจัดอวิชชาลงไปโดยลำดับแสดงปฏิกริยาต่อจิตในรูปของสามารถจำแนกแย ก, กได้ว่าอะไรเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ซึ่งเป็นคุณลักษณะประการหนึ่งของมนุษย์ที่ท่านวิเคราะห์ไว้ว่าสัตว์ใดาสามารถแย ก, กได้ ว่าอะไรเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์สัตว์นั้นชื่อว่าปนุ์แม้แต่ความเป็นเทพความเป็นพรหมตลอดถึงความเป็นอริยะบุคคลก็สามารถสร้างเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นในชีวิตนี้ได้ทั้งหมดซึ่งแน่นอนว่าตัวเหตุปัจจัยนั้นจะต้องเป็นเหตุปัจจัยที่อยู่ f ากตรงข้ามกับเหตุปัจจัยแห่งสังสารวัฏแม้จะมีพวกกิเลสอยู่ มีวิชาอยู่มีตันหามอิอูปาทานอยู่ก็ตามแต่พวกเหล่านั้นจะต้องไม่มีกำลังแรงจนครอบงำจิตใจของบุคคลนั้นนั้นซึ่งมีอยู่ในช่วงนั้นในขณะนั้นเมื่อไม่อาจแสดงผลอะไรออกมาได้ธรรมะซึ่งเป็นฝ่ายตรงกันข้ามก็แสดงผลต่อจิตให้เกิดฮิริความละอายแก่ใจอุตปะความสะดุ้งกลัวต่อบาปเป็นต้นขึ้นมา ในขณะนั้นในเวลานั้นบุคคลก็เป็นเทวดาโดยธรรมหรือเป็นเทพโดยธรรมยามใดที่ใจสงบด้วยอำนาจของสมาธิมีความมิตกมีความวิจารมีความอิบอิ่มขึ้นภายในใจมีความสุขกายสบายใจและจิตสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่เรียกว่าเป็นเอกกตาในช่วงนั้นก็เข้าถึงภาวะความเป็นพุ่มในทางใจ รือแม้แต่การที่บุคคลมีหลักธรรมสีประการคือพรหมพิหารปฏิบัติได้เหมาะได้ควรแก่โอกาสแก่อารมณ์ที่บังเกิดขึ้นก็ชื่อว่าเป็นพรหมในทางใจแต่ยามใดที่บุคคลสามารถสงบระงับบันเทาดับกิเลสได้ในแต่ละจุดก็ชื่อว่าสร้างอริยคุณคือคุณเครื่องความเป็นพระอริยะให้บังเกิดขึ้น แต่หากว่าปฏิบัติไปตามองอริยมรรคจนละความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนความเครือบแคลงสงสัยที่มีระยะดังที่กล่าวมาแล้วและการชื่อถือในศีลในวัดในข้อปฏิบัติที่ถือกันแบบครั้งแบบศักดิ์สิทธิ์ได้ก็จะเข้าสู่ความเป็นพระริยะอย่างแท้จริงในชั้นจิตใจ เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในช่วงนี้จึงเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยทั้งหมดและเหตุปัจจัยที่บุคคลสร้างขึ้นนั้นจะเป็นตัวแปรอย่างสำคัญที่ก่อให้บุคคลเกิดในทางใจเป็นอะไรคือจะตกต่ำก็ได้จะขึ้นสูงก็ได้หรือจะอยู่ในระดับของความเป็นมนุษย์ก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยต่างๆดังที่กล่าวแล้วซึ่งบุคคลอาจสร้างขึ้นและอาจจะบันเทาลงไปได้ ตามโอกาสดังนั้ น, น, นแต่ในขณะเดียวกันในชั้นหนึ่งนั้นบุคคลก็จะมองเห็นเป็นรูปของกระบวนการดังที่ได้กล่าวมาแล้วคือเมื่อมีอวิชาอยู่ภายในใจก็จะมีการปรุงแต่งขึ้นในลักษณะต่างๆแต่ละอย่างมีส่วนเพิ่มตัณหาในอารมณ์ต่างๆเมื่อมีตัณหาในอารมณ์ใดอุปาทานก็เกิดขึ้นในอารมณ์นั้น ข้อนี้ผู้ปฏิบัติธรรมก็จะสังเกตเห็นได้ว่าตัวตัณหากับอุปาทานที่มีอวิชชาอยู่เบื้องหลังนั้นมีความเกี่ยวข้องผูกพันกันอยู่ตราบใดที่อวิชชายังมีอยู่ตราบนั้นตัณหาก็จะต้องเกิดขึ้นในอารมณ์ทั้งหลายและเมื่อตัณหาบังเกิดขึ้นมีความกระสันอยากในอารมณ์ต่างๆเมื่อได้ถือครองสิ่งนั้นและกําหนดหมายว่าเป็นของเราแล้ว ก็จะยึดติดโดยความเป็นของเราด้วยอำนาจของอุปาทานเมื่อเป็นเช่นนี้กรรมคือการกระทาก็ต้องบังเกิดขึ้นและกรรมที่กระทำไปเช่นนั้นจะต้องออกมาเป็นรูปของกุศลบ้างอากุศลบ้างตามความเข้มข้นความเจือจางของวิชาตันหาอุปาทานเมื่อมีกรรมคือการกระทำการเปลี่ยนแปลงในชั้นขณะจิตก็จะบังเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในรูปของภพชาติก็จะต้องบังเกิดขึ้นการที่จะแก้คาถามที่เกิดขึ้นภายในจิตใจว่าเราเป็นอะไรและเราเป็นอย่างไรบุคคลก็จะหาคำตอบได้ว่าความเป็นอะไรของเรานั้นในแต่ละขณะจิตมันอยู่ที่แต่ละขณะจิตบุคคลมีความคิดอย่างไรความคิดนั้นถูกปรุงแต่งด้วยอะไร ถ้าหากว่าถูกปรุงแต่งด้วยอคุศลที่รุนแรงมันก็ตกต่ำในด้านจิตใจถ้าถูกปรุงแต่งด้วยกุศลที่มีปริมาณสูงขึ้นสูงขึ้ น, นก็จะก่อให้เกิดเป็นความมีความเป็นที่สูงขึ้นประนีตขึ้นโดยลำดับคำถามที่ว่าสัตว์นี้มาจากไหนหรือพูดเป็นภาษาธรรมดาว่าเรามีนี้มาจากไหน ก็จะมองย้อนไปสู่อดีตในรูปของกระบวนการเช่นเดียวกันว่าเหล่านี้เป็นเหตุปัจจัยในอนดีตเหมือนกับแม่น้ําที่ไหลไหลอ ย, อยู่อย่างนั้นร้อยปีพันปีกี่ปีมาแล้วก็ไม่รู้เป็นกระบวนการที่ไหลสืบต่อกันมาแท้ที่จริงไม่ใช่เป็นแม่นม้ําอันเดียวกันแต่ไม่อาจที่จะแยกกันได้โดยเด็ดขาด เพราะมีความเกี่ยวเนื่องสืบต่อกันตามลักษณะของสันติผลกรรมต่างๆที่มามีอิทธิพลต่อชีวิตจิตใจของบุคคลทั้งในชั้นก่อให้เกิดในกําเนิดต่างๆและเป็นตัวแปรในชีวิตปัจจุบันของบุคคลก็ดีเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาจากอดีตและปัจจุบันประสมกันซึ่งว่าที่จริงแล้ว แม้จะมีการเกิดตับแต่ก็เกิดตับในรูปของการสืบต่อกันไปซึ่งผลที่จะเกิดเกิดขึ้นจากการสืบต่อนั้นเป็นเรื่องที่บุคคลจะต้องรับผิดชอบเหมือนกับบุคคลจุดไฟไว้ในที่ใดที่หนึ่งแล้วไฟลุกลามไหม่ไปจะไหม้ไปสกักกี่สิบกิโลก็ตับแต่ว่าจุดเริ่มต้นเป็นไฟที่เกิดจากการจุดของใครไฟไปไหม้อะไรบ้างไปทาลายอะไรไปบ้าง บุคคลที่จุดไฟนั้นจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายเหล่านั้นการที่บุคคลจะอ้างว่าขพระเจ้าจุดไฟเพียงที่นี้เท่านั้นไม่ได้เกี่ยวกับที่อื่นไม่ได้แต่ว่ากันตามความเป็นจริงแล้วไฟที่ไปไหม้อาคารสถานที่เหล่านั้นก็ไม่ใช่ไฟที่บุคคลนั้นจุดขึ้นแต่เป็นไฟที่เกี่ยวเนื่องกับไฟซึ่งคนนั้นจุดขึ้นเพราะฉะนั้นเขาจึงต้องรับผิดชอบ บุคคลก็จะมองถึงเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลในอดีต ท, ที่เกี่ยวข้องกับสังสารวัตรและเกี่ยวข้องกับชีวิตปัจจุบันโดยทํานองเดียวกันว่าในชั้นของความเป็นจริงที่แท้จริงสิ่งทั้งหลายมีการเกิดตับที่สืบเนื่องกันไปตามหลักของอนิจจ์แต่ว่าในขณะเดียวกันบุคคลก็ไม่แยกออกจากกันได้โดยเด็ดขาดถึงแม้จะไม่ใช่บุคคลนั้นทั้งหมดแต่บุคคลนั้นก็เกี่ยวเนื่อง กับบุคคลในอดีตอย่างว่าวิชาความรู้ที่เราเรียนในสมัยที่เป็นเด็กมันเกี่ยวเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบันทั้งๆที่สิ่งอะไรก็เปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วเรากับเด็กในอดีตก็ไม่ใช่คนคนเดียวกันแต่ก็แยกออกจากกันไม่ได้โดยเด็ดขาดเพราะมีความเกี่ยวเนื่องถึงกันการมองสิ่งทั้งหลายซึ่งล่าโดยสรุปก็คือนามรูปในแง่ของเหตุปัจจัยโดยวิธีนี้ บุคคลก็จะสามารถขจัดความสงสัยที่ประรฏปัจจุบันทั้งสี่ข้อลงไปได้ส่วนคําถามที่ว่าเรามาจากไหนก็จะมองในแง่ของเหตุปัจจัยดังที่กล่าวแล้วแต่คําสงสัยที่เกิดขึ้นว่าเมื่อเราตายไปแล้วเราจากไปไหนก็จะมองไปในแง่ของกรรมโดยนิยามที่กล่าวแล้วข้อนี้ท่านผู้ที่ เจริญกรรมฐานเช่นมรณสติเป็นต้นก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจในมุมหนึ่งของชีวิตโดยถูกตรงแต่ยังมีความเคลือบแคลงสงสัยไม่แน่ใจในบางส่วนของชีวิตเหมือนกันอย่างที่ทิดานายช่างขูกคนหนึ่งซึ่งได้เจริญมรณสติหลังจากฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าท่านเกิดความเข้าใจในขบวนการของชีวิต ที่เกี่ยวเนื่องกันแบบน้ำไหลแบบกระแสไฟดังกล่าวโดยมองเห็นว่าท่านนั้นไม่รู้ว่ามาจากไหนและไม่รู้ว่าจะไปไหนแต่ในขณะเดียวกันท่านก็รู้ว่าท่านจะต้องตายแน่เพราะชีวิตมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปท่านเองก็ตกอยู่ในกระบวนการเหล่านั้นแต่ในขณะเดียวกันท่านก็ไม่รู้ว่าท่านจะตายเมื่อไหร่ แสดงให้เห็นว่าไอเหตุปัจจัยที่จะก่อให้เกิดในพบในกำเนิดต่อไปนั้นท่านมีความมั่นใจเพราะอะไรเพราะว่าหลักที่พระพุทธเจ้าทรงยืนยันไว้ก็คือผลของกุศลและผลของอกุศลที่บุคคลประกอบกระทำไว้ในปัจจุบันและจิตที่เหนี่ยวเอาอารมณ์ก่อนที่จะดับเป็นตัวกาหนดคติพบของบุคคล ศาสตร์ใดที่ยังมีการเบลี่ยนไหวแต่เกิดอยู่ในสังสารวัฏเช่นกุศลกรรมที่บุคคลประพฤติจนเป็นอาจินะปฏิบัติคือปฏิบัติอยู่เนืองๆปฏิบัติอยู่เปรยๆก็จะเข้าถึงจิตใจก่อนที่จะดับจิตแม้ร่างกายจะอ่อนเปรียปร้ยเพรีแรงจิตใจจะมีกําลังอ่อนก็ตามแต่เนื่องจากเป็นความเคยชินของจิตจิตก็จะเหนี่ยวอารมณ์เหล่านั้นเอาไว้ได้ ก็เป็นการรู้อนาคตโดยหยาบๆว่าจะบังเกิดในคติพบอย่างไรอย่างที่ทรงแสดงในรูปของคติกำเนิดแบบหยาบๆหรือไม่เจาะลึกลงไปเฉพาะรายเพราะเป็นการกล่าวแบบ ร, มรวมๆโดยแสดงถึงผลของอกุศลที่อำนวยความทุกข์ให้เกิดขึ้นในชีวิตปัจจุบัน และทําให้บุคคลบางเกิดในอบายทุกติวินิบาดนรกในโลกหน้าแต่ผลของกุศลว่าอํานวยความสุขให้เกิดขึ้นในปัจจุบันในขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดในสุขติตลอดถึงพรหมโลกในโลกหน้าเป็นตน้นก็จะทําให้ในชั้นการดํารงชีวิตโดยสามัญทั่วไปบุคคลก็จะพยายามสร้างเหตุปัจจัย เพื่อการเกิดในกำเนิดที่ดีและปัจจัยที่ก่อให้เกิดในกำเนิดที่ดีนั้นเองเป็นอุปนิสัยเป็นบารมีที่เมื่อบุคคลสร้าง ส, างสมอบรูรณมกระทาไว้บ่อยๆก็จะกลายเป็นพลังในการทําลายกลุ่มปัจจัยของสังสารวัตรให้เจือจางลงไปที่ท่านเรียกว่าเป็นพวกมีบารมีเต็มภาษาทางศาสนาท่านใช้คําว่าปัชิมภวิกษณ์ พิสัต์ที่เกิดมาในภพในชาติสุดท้ายซึ่งท่านเหล่านั้นได้เกิดขึ้นร่วมยุคร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้าเพราะแต่ละท่านก็มีบา ร, รมีที่รองลดหลั่นกันลงมาเพียงแต่บางท่านประาศัยอํานาจบา ร, รมีอยู่ในประเภทของสัตว์ที่เกิดมาในภพสุดท้ายฟังธรรมเพียงสองสามบรรทัดเท่านั้นก็ทะลุแจ่มแจ้งในธรรมะ บรรลุเป็นพระยะบุคคลระดับต่างๆได้นี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านได้สร้างเหตุปัจจัยเพื่อสลายสังสารวัติเอาไว้ในกลุ่มของอวิชาท่านก็สร้างอาิชาขึ้นสร้างวิชาขึ้นไปสลายในกลุ่มของตัณหาก็มีการบรรเทามีการละมีการยับยั้งกระแสของตัณหาไม่เข้มข้นจัดเกินไปและมีการปล่อยมีการวางไม่ยึดไม่ติดในอารมณ์มากนะัก กรรมคือการกระทำของท่านก็กลายเป็นกุศลและกรรมเพิ่มขึ้นอกุศลและกรรมก็น้อยลงอาหารคือสิ่งที่นําผลมานอกจากพวกกวลิงกระหานคืออาหารที่จะดื่มกินเข้าไปก็จะกลายเป็นการเลือกเฟ้นอาหารของใจให้เอาเฉพาะสิ่งที่เกื้อกูลแก่วิชาความรู้บรรเทาตัณหาบรรเทาอุปาทานซึ่งเป็นภากหนึ่ง ของชีวิตที่จะยุติสังสารวัตรให้สั้นเข่าแม้ยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางเหล่านั้นภพชาติของบุคคลก็จะมีความประนีตขึ้นไปโดยดำดักดังที่ท่านได้จำแนกแสดงไว้โดยพิศดาตดดังนั้นเมื่อบุคคลมาเข้าใจว่าชีวิตของสัตว์โลกทั้งมวไม่ว่าจะคนอื่นหรือตอนเองก็ตามตนแล้วแต่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยดังกล่าวแล้ว ก็จะบรรเทาความสงสัยในอดีตอนาคตปัจจุบันลงไปได้ชื่อว่าเข้าถึงกังขาวิตรณวิสุทธ์ความหมดจดแห่งยานเป็นเครื่องข้ามพ้นความสงสัยซึ่งเป็นวิสุทธข้อที่4ที่เป็นบันไดธรรมนำบุคคลให้บรรลุอริยผลในทางพระพุทธศาสนาประการหนึ่งต่อแต่นี้ไปก็ให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป